เวรัญชะกสูตรเนี่ยนะเนื้อหาก็คล้ายๆกันเนี่ยนะก็จะอ่านให้ฟังแล้วก็ไม่ได้อธิบายอะไรมากเนี่ยนะเพราะว่าเนื้อหาก็เหมือนกันแต่ว่าต่างกันกับเกี่ยวกับเรื่องสถานที่และชาวบ้านผู้ฟังแล้วก็สูตรก่อนนั้นเป็นธรรมมาทิฏฐานสูตรนี้กล่าวถึงปุคลาทิฏฐานยกบุคคลเป็นหลักเนี่ยนะสูตรที่แล้วกล่าวแต่ธรรมคือสุตจริตธรรมทางกายสุจริตธรรมทางวาจาสูตรสูตรจริตธรรมทางใจอันนี้ก็เป็นเป็นธรรมะอย่างเดียวตอนนี้มากล่าวถึงบุคคล เวรัญชกะสูตรหน้า268ข้อ4แข้อสรดดข้าพเจ้าได้ฟังมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่พระเชตวันอารามของท่านอนาถปิณฑิกะเศรษฐีใกล้กรุงสาวัตถีก็โดยสมัยนั้นแลพรามและเครือข บ, บดีชาวเมืองเวรัญชาพักแรมอยู่ในกรุงสาวัตถีด้วยกรณียก็ตบางอย่างแล้ว พวกพรามและขุนหาบดีชาวเมืองเวรัญชาก็แปลว่าพวกพ่อค้านั่นเองพวกพ่อค้าที่มาค้าค้ายมาจากต่างเมืองเนี่ยนะก็มาพอมาถึงเมืองสาวัตถีมาพักอาศัยอยู่ในเมืองสาวัตถีก็ได้ฟังข่าวมาว่าท่านผู้เจริญได้ได้สดับได้ข่าวมาว่าพระสมณโคโดมผู้สักยบุตรทรงผนวดบวจจากตระกูลสักยะประทับอยู่ณนะพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีใกล้กรุงสาวัตถี ก็กิติศัพท์อันงามของพระโคดมผู้เจริญพระองค์นั้นได้ฟุ้งขจรชื่อชื่อเสียงโด่งดังแผ่ขยายไปอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้แม้เพราะเหตุอย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพระองค์ได้ทรงเป็นพระอรหันต์เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเป็นผู้พระสุคตผู้เสด็จไปดีแล้วเป็นโลกวิธูรู้แจ้งโลกเป็นผู้ ปุริสธรรมสารถิฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อนุตตรโหไม่มีผู้ใดจะยิ่งเยี่ยมไปกว่าเนี่ยศาถาติวมนุษย์สานางังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าผู้รู้อริยสัจเนี่ยนะแล้วก็พักวาผู้จำแนกแจกแจงพระธรรมรัตนะเป็นผู้มีส่วนแห่งคุณธรรมทั้งปวงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงทําให้แจ้งด้วยปัญญา อันยิ่งด้วยพระองค์เองแล้วก็ประกาศาบอกโลกนี้รวมทั้งเทวโลกมาราโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสัมมาภาพเทวดาและมนุษย์พระผู้เทเจ้าพระองค์นั้นเนี่ยอยู่ด้วยกรุณาคือพระองค์แสดงธรรมที่ไพระในเบื้องต้นไพระในท่ามกลางไพระในที่สดทรงประกาศพรหมจันร์ คือแบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัถะพร้อมทั้งพยัญชนะเพราะการได้พบได้เห็นพระอรหันต์เห็นปา น, นั้นเป็นการดีแท้เนี่ยนะก็เรียกว่าเห็นก บ, บุญตาได้ฟังก บ, บุญหูถ้าตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามก็เป็นบุญวาสนาที่จะทำให้บรรลุมรรคผลต่อไปข้างหน้า ครั้งนั้นพวกพราหมณ์และคุหาบดีชาวเมืองเวรัญชาเนี่ยนะได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับแล้วบางพวกก็ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าบางพวกก็ชื่นชมยินดีกับพระผู้มีพระภาคเจ้าเปล่งถ้อยคาที่น่าบันเทิงทำให้ระลึกถึงการบางพวกก็เป็นแต่ประนมมือหันไปทางพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ประทับบางพวกก็ ได้แต่ร้องประกาศชื่อตัวและชื่อสกุลในสำนักของพระพุทธเจ้าบางพวกไม่พูดจาว่าอะไรต่างนั่งนั่งลงณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งเมื่อพวกพราหมณ์และขรหา บ, บดีชาวเมืองเวรัญชาต่างนั่งลงในที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วก็กราบทูลเนื้อความนี้แด่พระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระโคโดมผู้เจริญอะไรเนาะเป็นเหตุอะไรเนอะเป็นปัจจัยใหสัตว์บางพวกในโลกนี้ เข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกและพระโคโดมผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยที่สัตว์บางพวกเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกก็คือถามเหตุแห่งอบายถามเหตุแห่งสุขติโลกสวรรค์นั่นเองพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตอบว่าพราหมณ์และเครืบดีทั้งหลาย เพราะความประพฤติไม่ถูกต้องเพราะความประพฤติไม่เรียบร้อยเป็นเหตุคืออธรรมเจริยาวิสมัจริยานั่นแหละสัตว์บางพวกในโลกนี้จึงเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาศนรกหลังจากตายเพราะกายแตกพรามและเครือ บ, บดีทั้งหลายเพราะเหตุที่ประพฤติถูกต้องประพฤติเป็นธรรมประพฤติเรียบร้อยสม่ำเสมอทางะนนะสัตว์ บางพวกในโลกนี้จึงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์หลังจากตายเพราะกายแตกพรามหมเคฤืหาบดีเหล่านั้นก็กล่าวว่าคําที่พระโคโดมผู้เจริญพูดไว้โดยย่อยังไม่ได้จําแนกเนื้อความอย่างพิสดานนี้พวกข้าพเจ้ายังไม่เข้าใจเนื้อความได้อย่างพิสดานเลยขอพระ ข, ขอความการุณาให้พระโคโดมผู้เจริญได้โปรดแสดงคําโดยประการที่พวกข้าพเจ้า จะเพ่งเข้าใจเนื้อความแห่งถ้อยคำที่พระโคโดมผู้เจริญพูดไว้โดยย่อนี้โดยพิสดารด้วยเถิดเนี่ยนะพรามและคึ้หบดีทั้งหลายถ้าเช่นนั้นขอพวกท่านจงตั้งใจฟังให้ดีเราจะกล่าวให้ฟังอย่างนั้นท่านพระโคโดมผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสว่าดูก่อนพรามและคึหบดีทั้งหลาย บุคคลผู้ไม่ผู้ประพฤติไม่ไม่เป็นธรรมประพฤติไม่เรียบร้อยทางกายมีสมอย่างบุคคลผู้ไม่ประพฤติผู้ประพฤติไม่เป็นธรรมประพฤติไม่เรียบร้อยทางวาจามีสอย่างบุคคลผู้ประพฤติไม่เป็นธรรมและก็ประพฤติไม่เรียบร้อยทางใจมีสามอย่างเนี่ยเป็นธรรมก็คือประพฤติไม่ประพฤติไม่เป็นธรรมก็คือไม่ถูกต้องด้วยกายวาจาและใจ พรามและครือบดีทั้งหลายก็บุคคลเป็นผู้ประพฤติไม่ถูกต้องประพฤติไม่เรียบร้อยทางกายสามอย่างสามอย่างอะไรบ้างพรามและเครือบดีทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นคนชอบฆ่าสัตว์เป็นคนเหี้ยมโหดมีมือเปื้อนเลือดมุ่งแต่จะเข็นฆ่าไร้ย่างอายไม่มีความสงสารในหมูสัตว์ทุกชนิด เป็นคนชอบลักทรัพย์ถือเอาทรัพย์สมบัติของคนอื่นที่เขายัางไม่ได้ให้ซึ่งเป็นอาการแห่งขโมยเป็นคนชอบประพฤติผิดในของรักของใครทั้งหลายคือล่วงละเมิดจารีตหญิงที่พ่อแม่เป็นต้นปกครองดูแลพราหมณและคุหาบดีทั้งหลายบุคคลผู้ประพฤติไม่ถูกต้องประพฤติไม่เรียบร้อยทางกายสาอย่างนี้แล พรามและเครือขาบดีทั้งหลายก็บุคคลเป็นผู้ประพฤติไม่ถูกต้องประพฤติไม่เรียบร้อยทางวาจา ส, สี่อย่างสี่อย่างอะไรบ้างพราหมณ์และเครหาบดีทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีปกติพูดเท็จเนี่ยนะผู้มีปกติพูดเท็จพูดคำที่ไม่เป็นจริงนะพูดพูดยังไงก็คือ กล่าวเท็จอะนะเป็นผู้ที่ไม่อยู่ในเขาเรียกว่าไม่พูดความจริงอะนะไม่ว่าจะไปอยู่ในที่ประชมุมในบริษัทท่ามกลางญาติในท่ามกลางพักพวกหรือท่ามกลางราชตระกูลก็ตามเมื่อถูกชักนํามาเป็นพยานก็บอกมา น, นี่สินายอนนะขอให้คุณพูดอย่างที่คุณรู้ไม่รู้ก็บอกว่า รู้รู้อยู่ก็กลับพูดว่าไม่รู้ไม่เห็นก็บอกว่าเห็นเห็นอยู่ก็เผลอไปพูดว่าไม่เห็นทางนี้เพราะเห็นแห่งตนเพราะเห็นแก่ตัวเนี่ยนะเพราะเห็นแก่คนอื่นบ้างคือญาติเป็นต้นหรือบางทีก็เห็นแก่อมิตรสินจ้างก็เลยกล่าวเทศพูดไม่จริงทั้งทั้งที่รู้อยู่ ต่อไปก็บอกเป็นคนพูดส่อเสียดฟังจากข้างนี้แล้วไปบอกข้างโน้นเพื่อทําลายคนพวกนี้หรือฟังจากข้างนี้แล้วก็ไปบอกข้างโน้นเพื่อทําลายคนพวกโน้นเป็นอันว่าทําลายคนที่พร้อมเพียงกันหรือคนที่พร้อมเพียงกันอยู่แล้วก็ทําให้แตกแยกกันไอคนที่แตกก็ส่งเสริมให้มันแตกหนักเข้าไปอีกพอใจกับคนที่แตกแยกกันเป็นพักเป็นพวกเขายิ่งแตกเป็นปนได้เท่าไหร่ยิ่งถูกใจเนี่ยนะก็พันยินดีกับพวกที่แตกแยกกัน คือมันมีกลุ่มชนที่เรียกว่าสแสวงหาประโยชน์จากความแตกแยกกันอย่างเขาเรียกว่าพวกชาวต่างชาติบางประเทศเนี่ยนะมาปกครองบ้านเมืองบาง บ, บ, บ้านเมืองนี่ก็มาสร้างความแตกแยกกันเอาไว้แล้วตัวเองก็จากไปเนี่ยนะเพราะฉะนั้นบ้านเมืองนั้นก็แตกกระจายเป็นอย่างเหมือนสีลังกาทุกๆุกวันเนี่ยนะก็เพราะว่าต่างประเทศมาสร้างความแตกแยกเอาไว้ให้แล้วเขาก็จากไปบ้านเมืองก็เลยแตกแยก รืมอ the ินเดียเนี oil, ่ยนะแตกแยกเป็นสี่เผ่าอ่ะเป็นตั้งหลายประเทศเนี่ยนะแตกแยกเป็นเป็นตั้งหลายประเทศเพราะต่างประเทศที่เข้ามาครอบครองอ่ะสร้างความแตกแยกแล้วก็จากไปหรือว่าแม้กระทั่งประเทศพม่าก็เหมือนกันเนี่ยนะที่แตกแยกก็เพราะว่าชาวต่างชาติมาสร้างความแตกแยกเอาไว้ให้ประเทศก็เลยแตกแยกก็อีกตั้งหลายประเทศในระบบเดียวกันเนี่ยนะเรียกว่าสร้างความแตกแยกแล้วก็จากไปเพราะพวกนี้แสวงหาผลประโยชน์จากความแตกแยกกันถ้าเขาแตกแยกกันแล้วเราก็หยิบฉวยเอาเนี่ยนะ บางทีก็ต่อไปอักขุนสมบัก็เรียกว่าพูดคำหยาบเป็นผู้พูดคำพูดที่ค่อนขอดหยาบช้าต่อคนอื่นเผ็ดร้อนนะคนอื่นเรียกว่าพูดให้คนอื่นเน็บแต่ความเจ็บใจเอาไว้ใกล้ต่อความโกรธไม่เป็นไปเพื่อให้จิตตั้งมั่นนันเรียกว่าพูดคำหยาบพูดคาสำรากเพ้อเจอพูดไม่ถูกการพูดไม่เป็นความจริงพูดไรประโยชน์พูดไม่เป็นธรรมไม่เป็นวินัย พูดไม่เป็นหลักฐานพูดไม่เป็นเวลาไม่มีที่อ้างอิงพูดไม่มีจบเนี่ยนะขึ้นต้นอย่างหนึ่งจบอย่างหนึ่งคนละเรื่องคนละราวไม่มีประโยชน์เลยอย่างนี้แหละเรียกว่าความประพฤติที่ไม่เป็นธรรมความประพฤติที่ไม่สม่ำเสมอทางกะทางทางวัจีสอย่างด้วยกันพราหมณ์และครหบดีทั้งหลายบุคคลผู้ประพฤติไม่ถูกต้องประพฤติไม่เรียบร้อยทางใจสามอย่างสามอย่างอะไรบ้าง อนนะัพาหมณ์และขึ้หาบดีทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ประพฤติไม่เป็นธรรมอ่ะเป็นคนที่มากไปด้วยอภิชาเพ่งแหลงทรัพย์ของคนอื่นอนนะเพ่งแหลงทรัพย์สมบัติของคนอื่นว่าทำฉนัยเนาะสิ่งของของคนอื่นทรัพย์สมบัติของคนอื่นจะพึงเป็นของเราเป็นผู้มีจิตพยาบาทเป็นผู้มีจิตคิดประทุษร้ายจองเวน อันนะ่ะอาฆาตว่าขอให้สัตว์พวกนี้จงถูกฆ่าจงอันนะจงถูกเขาฆ่าจงขาดศูนย์จงจะได้มีเลยเนี่ยนะเรียกว่าแช่งเนี่ยนะก็คือพวกสา พ, พวกแช่งแช่งให้เกิดคนเขาเดือดร้อนเนี่ยนะอีกอย่างหนึ่งก็เป็นคนที่มีความเห็นผิดเห็นคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงว่าทานที่ให้ไม่มีผลการบูชาไม่มีผลการต้อนรับเชื้อเชิญไม่มีผลผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วไม่มีโลกนี้ ตายจากโลกอื่นมาสู่โลกนี้ไม่มีตายจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นไม่มีทําดีทําชั่วกับพ่อแม่ไม่มีผลไม่มีประโยชน์ใดๆทั้นแต่ทําบุญก็ตามบาปก็ตามไม่มีประโยชน์เนี่ยนะเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งโอปาปาติกะนรกหรือพรหมเป็นต้นก็ไม่มีพระพุทธเจา้าก็ไม่มีพระพุทธเจา้าเนี่ยเขาเขียนขึ้นมาเฉยเฉหรอกไม่มีเป็นความจริงหรอกอันนี้ก็ลักษณะของมิจฉาทิฏฐินั่นเอง พรามและครืหา บ, บดีทั้งหลายบุคคลผู้ประพฤติไม่ถูกต้องไม่เรียบร้อยทางใจสามอย่างนี่แลพรามและครืหา บ, บดีทั้งหลายเพราะเหตุที่ประพฤติไม่ถูกต้องประพฤติไม่เป็นธรรมเนี่ยนะประพฤติไม่สม่ำเสมอทางกายวาจาใจดังกล่าวมาแล้วสัตว์บางพวกในโลกนี้ถึงพร้อมอไปเกิดในอบายทุกคติวินิบาตนารกเนี่ยนะเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเพราะอะไรเพราะระลึกถึงความชั่วเหล่านี้ได้ ก่อนตายเนี่ยก็พเรียกว่าพกอะไรไปเนี่ยเหมือนเราเดินทางไกลนะพกอาหารประเภทไหนไปก็กินประเภทนั้นแล้เนี่ยนะเรียกว่าถ้าไม่มีที่อื่นที่แวะเลยนะพรามและเครือาบดีทั้งหลายก็บุคคลประพฤติเป็นธรรมประพฤติเรียบร้อยทางกายสอย่างประพฤติเป็นธรรมประพฤติเรียบร้อยทางวาจา4อย่างประพฤติทางประพฤติเป็นธรรมประพฤติเรียบร้อยทางใจสอย่างด้วยกันเนี่ยนะ ดูก่อนพราหม์และเครืหา บ, บดีทั้งหลายบุคคลผู้ประพฤติเป็นธรรมประพฤติสม่ำเสมอทางกายสามอย่างสามอย่างอะไรบ้างพรามและเครืห บ, บดีทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ละการฆ่าสัตว์เป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์วางศาสตราวางอาวุธมีความละอายเอื้อเอ็นดูมีใจอนุเคราะห์เอื้อเฟื้ออยู่ด้วยความสงสารในสัตว์ทั้งหลายอยู่ เป็นผู้ละเว้นจากการลักทรัพย์เว้นขาดจากการลักทรัพย์เป็นผู้ไม่ถือเอาทรัพย์สมบัติของคนอื่นไม่ว่าจะอยู่ในบ้านหรืออยู่ในป่าที่เขาไม่ได้ให้โดยเจตนาแห่งความเป็นขโมยด้วยความคดโกงเนยนะละความประพฤติผิดในการเว้นขาดจากการประพฤติผิดในการไม่ละเมิดจารีตในหญิงที่มีพ่อแม่พี่น้องหญิงชายเป็นต้นปกครองโดยที่สุดแม่แต่หญิง ที่ผู้ชายคล้องพวงมาลัยจับจองเอาไว้แล้วเขาเรียกว่าพรามและครือาบดีทั้งหลายบุคคลผู้ประพฤติเป็นธรรมประพฤติสม่ำเสมอทางกายสาอย่างนี่และพรามและครือาบดีทั้งหลายบก ค, ความประพฤติเป็นธรรมความประพฤติสม่ำเสมอ นะท า, าทางวาจาสี่อย่างที่บุคคลประพฤติแล้วเป็นเหตุให้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์ก็คือพราหมและขืนหาบดีทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ละการกล่าวเทศเว้นขาดจากการกล่าวเทศไม่ว่าจะอยู่ในที่ประชุมอยู่ท่ามกลางบริษัทท่ามกลางญาติอยู่ท่ามกลางสมัครพรกพวกหรือท่ามกลางรา ช, ชตระกูลก็ตามเมื่อถูกเขานำมาสักเป็นพยานก็บอกว่ามาหนี่สีนาย ขอให้คุณพูดอย่างที่คุณรู้เพราะฉะนั้นไม่รู้ก็บอกว่าไม่รู้รู้ก็บอกว่ารู้เห็นก็ว่าเห็นไม่เห็นก็ว่าไม่เห็นเพราะฉะนั้นไม่มุสาว่าเพราะเหตุแห่งตนเพราะเหตุแห่งคนอื่นหรือเพราะเหตุเห็นแก่อมิตรสินจ้างเป็นต้นเพราะฉะนั้นไม่ยอมพูดเท็จทั้งๆั้ที่รู้อยู่ละคําพูดส่อเสียดเว้นขาดจากคําพูดส่อเสียดคือ ไม่เป็นผู้ฟังจากข้างนี้แล้วไปบอกข้างโน้นเพื่อทำลายคนเหล่านี้ไม่ฟังจากข้างนี้แล้วไปบอกคนทางโน้นทางนี้เพื่อทำลายคนพวกโน้นสรุปเป็นอันว่าเชื่อมคนที่แตกกันแล้วกันให้สนิทส่งเสริมคนที่สมัครสมารสามัคคีจการพร้อมเพียงคนที่สามัคคีกันยินดีกับคนที่สามัคคีกันชอบผู้ที่เขาสามัคคีกันผู้แต่วาจาสร้างความสมัครสมัครสมานสามัคคีแล้วก็ปรองดองนะ ละพูดละการพูดคำหยาบเว้นขาดจากการพูดคำหยาบพูดแต่คำที่ไม่มีโทษเป็นคำที่สบายหูหน่ารักดื่มดำในใจเป็นภาษาของชาวเมืองคนส่วนมากรักใคร่คนส่วนมากชอบใจ น, นะต่อไปก็บุคคลเนี่ยเป็นผูท้ที่ละเว้นจากคำสําราบเพอร์เจอเว้นขาดจากคำสาราบเพอร์เจอ พูดถูกเวลาพูดแต่ถ้อยคําที่เป็นจริงพูดคามีประโยชน์พูดเป็นธรรมพูดเป็นวินยัยพูดถ้อยคําที่มีหลักฐานพูดอย่างมีที่อ้างอิงตามเวลาและก็สิ้นสุดประกอบด้วยประโยชน์เนี่ยนะอย่างนี้แลพราหมณ์และเครื่อหัตดีทั้งหลายจัดเป็นความประพฤติ ท, ที่เป็นธรรมทางวาจาประพฤติสม่ําเสมอทางวาจาสีส่าาประการ พรามและเครือขาปดีทั้งหลายก็และความประพฤติเป็นธรรมและความประพฤติสม่ำเสมอทางใจสมอย่างสามอย่างอะไรบ้างก็คือพรามและเครหอาปดีทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ใช่เป็นผู้มากด้วยอภิชาคือไม่เพ่งเลง็ง น, นะไม่ใช่เป็นผู้เพ่งเล็งในสิ่งของที่เป็นอุปกรณ์เครื่องปลื้มใจของคนอื่นๆ คือไม่มีความคิดเลยว่าโอ้หนอขอสิ่งของคนอื่นมาเป็นของเราไม่คิดอย่างนี้เลยของผู้ใดก็ขอให้เป็นของผู้นั้นไปเถอะเนี่ยนะไม่ใช่เป็นผู้มีจิตพยาบาทไม่ใช่เป็นผู้มีจิตคิดแต่จะแก้แค้นเพราะฉะนั้นมีแต่ใจคิดว่าขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีทุกข์รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยรักษาตนให้เป็นสุขตลอดไปอยู่เถะเ น, นะ เจริญแต่เมตตามีแต่คิดภาวนาให้ผู้อื่นประสบแต่ความสุขและก็ความเจริญเป็นผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นถูกต้องเป็นความเห็นที่ไม่วิปริตวิปลาสคลาดเคลื่อนว่ารู้อยู่ว่าการให้ทานมีผลการรักษาศีลมีผลการต้อนรับเชื้อเชิญมีผลการบูชามีผล ผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วมีอยู่จริงสัตว์ที่ตายจากโลกอื่นมาสู่โลกนี้มีตายจากโลกนี้ไปสู่โลกหน้าก็มีพ่อแม่มีบุญคุณเนีย่ยนะทำดีทําชั่วกับพ่อแม่อย่างไรก็จะได้รับผลตอบสนองเช่นนั้นสัตว์ที่เป็นโอปปาติกะมีอยู่จริงสมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทําให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งของพระองค์เองแล้วก็ประกาศบอกสอนโลกพร้อมทั้ง เทวโลกสอนให้รู้จักโลกนี้และโลกหน้าดังที่กล่าวมาอย่างนี้แหลพราหมณ์และคุหาบดีทั้งหลายจัดว่าเป็นความประพฤติเป็นธรรมความประพฤติสม่ําเสมอทางใจสมประการเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพราหมณ์และคุหาบดีทั้งหลายเพราะเหตุแห่งความประพฤติเป็นธรรมความประพฤติถูกต้อง ด้วยกายด้วยวาจาใจายอย่างนี้แหละสัตว์บางพวกในโลกนี้จึงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเนี่ยนะเพราะฉะนั้นผู้ที่ประพฤติความดีด้วยกายผู้ที่ประพฤติความดีด้วยวาจาผู้ที่คิดถึงความดีด้วยใจประพฤติดีด้วยใจเนี่ยนะประพฤตินนะแต่กายสุจิริภะจีสุจริจจรมนโนสุจริ พยังก็ต้องสุจรจิตเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นเองนะเกิดจากการสมาทานเนี่ยนะมันก็ต้องหมั่นสมาทานกรร ม, มบทเอาไว้บ่อยๆสมาทานเนืองๆสมาทานเป็นนิดเนี่ยนะให้ต่อเนื่องสืบเนื่องกันไปนะเช่นข้าพเจ้าขอสมาทาน กุศลกรรมบทเว้นจากการฆ่าขอสมาทานกุศลกรรมบทเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้เป็นต้นน่ยนะก็สมาทานทุกข้อประพฤติให้มันต่อเนื่องให้ภยัยโบนบริบูรณ์ผู้ที่ประพฤติเป็นธรรมประพฤติอย่างถูกต้องด้วยกายวาจาใจายอย่างนี้แล้วเนี่ยนะปรารถนาเป็นกษัตริย์มหาศาลพระมหาศาลครือบดีมหาศาลอ่าเพราะเขาประพฤติเป็นธรรมอย่างนี้ก็สมอ่าก็เป็นเหตุให้สมความ ปรารถนาเนี่ยนะก็คือบางคนเนี่ยเกิดมาคิดมาแม้ตัวเองช่างอาภัพแท้ไม่มีอำนาจไม่มีความรู้ไม่มีทรัพย์สินเลยก็ตั้งความปรารถนาขอให้มีอานาจมีความรู้มีทรัพย์สินเป็นต้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าประพฤติเป็นธรรมประพฤติสุจริตธรรมด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจก็เป็นเหตุให้สมความปรารถนา พรามเนื้อขึ้นหาบดีทั้งหลายผู้ที่ประพฤติเป็นธรรมด้วยกายวาจาใจอย่างนี้แล้วเนี่ยนะปรารถนาว่าหลังจากตายเพราะกายแตกขอขอให้เราไปเกิดในสวรรค์ชั้นจาตุมดาวดึงยาม av av าดุสิตนิมมานารดีปารณิมิตาวัสวัตติความความปรารถนาของผู้ที่ประพฤติสุจริตธรรมด้วยกายวาจาใจ ก, ก็ประสบความสําเร็จหรือว่าผู้ที่ประพฤติสุจริตธรรมด้วยกายวาจาใจปรารถนาขอไปเกิดใน พรหมโลกเนี่ยนะปรรมปริสัทชาปุโรหิตามมหาพรหมมาหรือไปเกิดเป็นพรหมชั้นปริตาภาอัปมานาภาอภัสราปริตาสุภาอปมานะสุภาสุภกินหาเวหผลาหรือโดยที่สุดจะปรารถนาเป็นพรหมชั้นสุดทาวาสเนี่ยนะอวิหาอัตาปาสุทสาสุาศาสาสทศีกานิธาตลอดจนถึงปรารถนาอารูปประพบคืออะไร อากาสานัญญาตนาะวิญญาณัญญาตนาะอากินจัญญายตนาะจนถึงเนว ส, ญญสัญญายนสัญญายาตนะเพราะฉะนั้นในสุขติมนุษย์สุขติเทวดาสุขติพรหมโลกอสุธาวาตลอดจนถึงอรูปป ร, รมผู้ที่ประพฤติสุจริตด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งการเจริญสมถะ จเจริญกุศลธรรมให้เพียบพร้อมก็ทำให้สำเร็จสมความปรารถนาหรือสุดท้ายเนี่ยนะถ้าผู้ที่ประพฤติสุจริตธรรมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจดำรงมั่นในสติประญาสัมมาประญาอิทิบาทอินทรีสีพร ะ, ะพุทธชงและองค์มรรคเนี่ยน ะ, จะเจริญโพธิปัคยะธรรมที่ย่อลงมาคือสมถะและวิปัสนาให้งอกงามไพบูรบริบูรณ ปรารถนาว่าขอเราพึงทําให้แจ้งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันหาอาสวะไม่ได้เพราะพวกอาสวะทั้งสี่สิ้นไปเพราะาโสดาปฏิมักสกธาคามิมักอนาคามิมักอรหัตตมักของตัวเองเนี่ยนะที่เห็นอริยสัจเนี่ยนะก็สามารถทําที่สุดแห่งทุกได้นะนะก็ปรารถนาก็ประสบความสําเร็จขอให้ตั้งอยู่บนพื้นฐานสุดจริตธรรมด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจ เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเช่นนี้จบลงพราหมณ์และขุนหาบดีชาวเมืองเวรัญชาก็กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าภัยรอดเหลือเกินพระโคดมผู้เจริญภยัยเรอดจริงๆพระโคดมผู้เจริญประกาศธรรมะลายแบบเหมือนบุคคลงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางส่องประทีปในที่มืดด้วยคนมีตาดีจะเห็นรูปเนี่ยนะก็แสดงและเห็นแล้วว่าช่องทางของการปฏิบัติต่อไปก็คือตัต้งใจที่ ที่จะปฏิบัติสุดจริตด้วยกายมีความตั้งใจที่จะประพฤติสุจริตด้วยวาจาและด้วยใจเนี่ยนะเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าขอถึงพระโคดมผู้เจริญพร้อมทั้งพระธรรมและพระภิกษุสงฆ์ว่าเป็นสารณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงขอพระโคดมโปรดทรงจําพวกข้าพเจ้าว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสารณะจนตลอดชีวิตเนี่ยนะเป็นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป นั้นก็ท่านเหล่านั้นเนี่ยนะพระอริยเจ้าทั้งหลายในอดีตก็ล้วนแต่เป็นผู้ที่ปฏิบัติสุจริตด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจยเพราะสุจริตรมทางกายวาจาใจานั่นแหละคือศีลสมถะและก็วิปัสนาเนี่ยนะ ก, ก, ก็อย่าลืมบางคนเนี่ยไปคิดวิจิตพิสดารว่าเอออภิน ญ, ญามรรคผลมันอยู่ที่อื่นมั้งจริงๆแล้วเนี่ยนะพื้นฐานของการประพฤติปฏิบัติเพื่อการตรัสรู้นั้นก็อยู่ที่กายวาจาและใจขอให้ กายวาจาใจของเราเนี่ยนะเป็นไปกับสุจริธรรมเป็นกายวาจาใจที่ประกอบด้วยกุศลธรรมกายวาจาใจเหล่าใดที่ประกอบด้วยกุศลธรรมตามที่พระพุทธเจ้าบอกสอนอนนะกายวาจาใจเหล่านั้นจะนำไปสู่ความพ้นจาก วัตทุกข์สังสารทุกพ้นจากอบายทุกขติวินิบาตินรกพ้นจากชาติชราและมรณะเพราะฉะนั้นท้ายที่สุดนี้ก็ขอให้พวกเราทั้งหลายเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติสุดจริตด้วยกายวาจาและใจดำเนินเดินตามทางที่พระพุทธเจ้าบอกสอนเพื่อความพ้นทุกข์ก็ขอให้ได้ประพฤติปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์โดยทั่วถกันวันนี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้